อาจาเช้าอย่างนี้ขอให้พระพิสุสา ม, มนเณนรรวมทั้งเมชีอุบาสก อ, อุบาสิกาที่ใธรรมทุกท่านหวังว่าเช้าอย่างนี้ สภาพจิตของท่านทั้งหลายคงจะไม่มีความวุ่นวายต่อสภาวะกิเลส ท, ทั้งหลายก็คือความโรภความโกรธความหลงความโรภนั้นทำให้เกิดสภาวะจิต ทำให้บุ่นวายรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจความโกรธก็เช่นเดียวกันความโกรธของสภาพสภาพของจิตของนักปฏิบัติทั้งหลายมันเป็นบอกเกิดความโง่เขาทาให ปฏิบัติแล้วไม่เห็นสัจธรรมของความเป็นจริงเพราะความโกรธจะมีทิฏฐิมานะถือตัวถือตนโดยที่ไม่รู้ตัวเห็นผิดเป็นถูกเห็นชั่วเป็นดีฉันได้ก่าฉันนั้น เมื่อมีความโรคมีความโกรธมีความหลงอยู่ในจิตได้สำนึกย่อมมีทิฏฐิมานะถือตัวถือตนว่าของตัวเองนั้นดีของตัวเองนั้นก็ถูกดีไปทุกหมดถูกไปสะทุกอย่างไม่ยอมปั่งเหตุและผล ของผู้อื่นจะคิดจะนึกจะตรึกตรองทำการงานสิ่งใดหรือจะมาประพฤติมาปฏิบัติเมื่อมีความโลภ ค, ความ โ, โกรธมีความหลงก็เกิดความหลงก็คือความหลังเลสงสัยในสภาพของจิตนักปฏิบัติทั้งหลาย เมื่อมีความหลงแล้วย่อมมีความลังเลแม่นในพระธรรมคาสั่งสอนในขณะที่คิดในขณะที่ตรึกตองต่อสติก็ยังมีความนาริที่เห็นผิดเป็นถูกเห็นชั่วเป็นดีตามสภาพของความเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัว ในการที่เป็นกิเลสเป็นสิ่งมัวหมองของการปฏิบัติเจ้าๆอย่างนี้นับว่านักปฏิบัติทั้งหลายจงพยายามกำหนดเข้าไปที่ใจตั้งสติมีความรู้ตัวไว้ว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ย เรากว่าจะได้มาบำเพ็ญเพียรสติของเราในขณะนี้มันช่างยากเหลือเกินสภาพของจิตท่านทั้งหลายจิตก็คือใจเรานั้นมีสภาพจิตที่ไม่เคยถูกฝึกมาก่อนเคยแต่ปัฒนาฝึกในความที่อยากได้อยากรู้อยากเห็น ก็คือความโรฟความโกรธความหลงเมื่อมีความอยากมีความปรารถนาอยากได้แล้วไม่ได้เนี่ยเราก็เกิดความโกรธเมื่อมีความโกรธแล้วก็ย่อมมีทิฏฐิมานะผูกพยาบาทอาฆาตสภาพของจิตใจของท่านทั้งหลายเปรียบเสมือน ท่านมีตาเป็นกระทู้หูกถะคํคำว่าตากระทู้หูกระทะนั้นเราเปรียบเสมือนไม้ไผ่ที่โตขึ้นเบียดเสียดแตกเก่งก้านสาขาออกมาเหมือนเหล่านั้นถูกเกลดทิ่มแทงตาจนตาแตกเราก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้สึก ระเคืองระคายตาของเราก็คือไม่มีหิริไม่มีความโอตะปะไม่มีความระอายไม่มีความเก่งกลัวต่อบาปในสิ่งที่เรามองเห็นหูที่ได้ยินทุกวันนั้นเราได้ยินแต่เสียง ต่อความโลภ ค, ความโกรธความหลงของกิเลสทั้งสิ้นปัดนี้เราได้มองเข้าไปในจิตของเรายิ้มเขวะด้วยจิตอันบริสุทธิ์ด้วยจิตอันเมตตามีความกรุณามีความอุเบกขาเมื่อมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา นั่นเป็นจิตของอริยสงฆ์เป็นจิตของผมที่ปัรถนาความบริสุทธิ์แต่ถ้าเรามีจิตเป็นเทพเทพวดาเทพ็เรามีฤทธิ์เมื่อมีเป็นเทพเป็นเทวดาทั้งเทพและเทวดาเป็นผมนั้นยังไม่หลุดจากอสวกิเลต จิตของเทพนั้นเป็นผู้มีฤทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ในการปัตนาความโลภ ก, ก็คือความอยากได้คนที่มีจิตเป็นเทพย่อมมีสติปัญญามีอำนาจของกำลังทรัพย์ทรัพย์ภายนอกเกิดมาในสถานภาพ ของญาติพี่น้องหรือพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้มีอำนาจเมื่อเป็นผู้มีอำนาจแล้วเนี่ยเราเคยปรถนาสิ่งทรัพย์สินภายนอกก็คือคิดเสี่ยงอย่างใดเนี่ยก็อยากให้ได้อย่างนั้นอยากได้สิ่งใดอยากทําสิ่งใด ก็จะมีคนเนี่ยปัถนานำมาให้เรียกว่าเทพก็คือใช้อำนาจอำนาจของยศฐานบรรดาศักดินเองของโรคภายนอกถ้าจิตเป็นเทพของภายในอำนาจของจิตนั้นยังไม่หลุดจากความเศร้าหมองของกิเลสเพราะนั้นคนที่มาประพฤติปฏิบัติ ย่อมมีสติรู้ของวาระจิตของตัวเองว่าฝึกสิ่งไหนก็ปัฒนาสิ่งไหนก็ย่อมมีความชำนาญในสิ่งนั้นนั้นยกตัวอย่างเช่นพระพิสุที่ชอบสวดมนต์เราฝึกสวดมนต์สภาวะจิตของเรานั้นก็มีความชำนาญ เกิดความชินชินก็คือฌานนั่นเองฌานแปลว่าอย่างรู้จิตก็จะรู้เลยว่าวันนี้เรายังไม่ได้กราบพระไหว้พระเรายังไม่ได้สวดมนต์เลยในขณะที่เราทำการงานสิ่งใดหรือใช้ชีวิตประจำวันจิตก็จะมีจิตใต้สำนึกเพราะถูกฝึกมาดีแล้ว สมดังที่องค์สมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าจิตที่ถูกฝึกมาดีแล้วจิตที่บริสุทธิ์สะสมมาดีแล้วย่อมมีความชินย่อมมีความจานานย่อมมีความอย่างรู้ในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาคำว่าปัรถนานั้น ก็คือมีจิตที่ปัฒนาอันบริสุทธิกับปัฒนาอันชั่วยาบก็คืออกุศลในขณะพระพิสุสั ม, มนเณนีแม่ชีอุบาสกบาสิกานนั้นเมื่อเรามีการถูกฝึกจิตเมื่อจิตของเรานั้นถูกฝึก ฝึกจนชาญได้ฌานของความอย่างรู้ก็คือจิตได้สำนึกนั่นเองคนที่ฝึกอยู่ในองค์ภาวนาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทยิ้มแวะปาถนาความบริสุทธิ์ไม่มีความวุ่นวายไม่มีความฟุ้งซ่านอยู่ในใจเหมือนท่านในขณะนี้ ท่านไม่เคยถูกฝึกจิตให้เป็นสงบไม่เคยมีความเงียบไม่มีความไม่มีเคยไม่มีความสงบในใจเหมือนในขณะนี้พอกายใจของท่านสงบในขณะนี้สติของท่านก็หลุดไปบางคนก็โกรนครอ่อกครอ่ครอก เพราะจิตของท่านไม่เคยถูกฝึกให้ละเอียดให้วา่างเปล่าไม่เคยเงียบสงบต่อสภาพสภาวะที่เคยถูกฝึกพอจิตมันสงบเงียบเข้าจริงๆสติก็รุนความเงียบเนี่ยมันแฝงไปได้วยความเหงามันแฝงไปได้วยความง่วง เพราะเราไม่เคยมีสติอันมั่นคงเหมือนพระพิสุสงฆ์ที่โกรนคร้อครอก อ, อยู่ในขณะนี้เพราะจิตของท่านทั้งหลายไม่เคยสงบเลยไม่เคยเงียบไม่เคยถูกฝึกให้ต่อสู้กับความเงียบพอเงียบสงบเข้าความง่วงและเข้าแทรกแซง เมื่อความง่วงแทรกแซงแล้วก็ขาดสติหลุดจากองค์ภาวนาก็คือขาดสติเหมือนหลับลงไปแต่นักปฏิบัติทั้งหลายบางท่านได้ฝึกฝึกจิตมาดีแล้วยิ่งเงียบยิ่งสงบใจของท่านก็รู้สึกเบิกบานใจเพราะถูกฝึกมาดีแล้ว บางคนถูกฝึกบางคนไม่ถูกปึกบางคนไม่เคยมีจิตได้สำนึกว่าตัวเองนั้นมีหน้าที่ของความเป็นพระเช้าขึ้นมาเนี่ยจิตของเรานั้นไม่เคยปัถนาในคุณงามความดีไม่เคยถูกปึกเพื่อเพื่อเผื่อแผ่ของจิตที่จะปัถนาให้กับผู้อื่น เช่นเมตตาความรักความเมตตาความกรุณาเนี่ยมันเกิดจากพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าพื้นฐานของศีล น, นั่นเองศีลก็คือความสัมรวมทางกายเราไม่เคยสัมรวมทางกายเราไม่เคยถูกฝึกกายของเรานั้นให้อื้อประโยชน์ต่อสัตว์เดรัจฉาน เราก็ทุบตีสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าเราถูกฝึกให้จิตมีเมตตาทางกายเชาๆเนี่ยเราก็ไปเลี้ยงสัตว์ถ้า เ, เราไม่เคยสร้างบุญกุศลทางกายเราเนี่ยก็ไม่ปรารถนาจะทำประโยชน์เอื้อเฟื้อให้กับผู้อื่นแม้นคนใกล้ชิดหรือคนไกลห่าง แมนคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้มีบุญคุณต่อเราเลี้ยงดูเราปัตนาดีต่อเราเราไม่เคยถูกฝึกให้มีจิตเอื้อเฟื้อที่เป็นกุศลยอมมองแต่สิ่งหยาบย่อมฝึกแต่อิจฉาลิสยาอาฆาตไม่ปัถนาในคุณงามความดี พอเรามาถูกปึกเข้ามาถูกให้ตั้งสติบ้างมาถูกปึกจิตของเรานีให้อ่อนโยนลงจากที่มีความคิดที่หยาบกระด้างจึงมีความฝืนใจเรียกว่าฝืนใจในขณะนี้ท่านทั้งหลายกำลังฝืนความรู้สึกความเงียบความสงบ พยายามฝืนที่อยู่ไม่เคยมีสติเรากรำลังตั้งสติกาลังฝืนตั้งสติสติก็คือความรู้ตัวเมื่อเรามีความรู้ตัวในขณะนี้แล้วปรจจนาบุญบุญก็คือความว่างเปล่าปัจนาบุญบุญก็มีทางกายทางวาจาทางใจทางกายเนี่ยเราก็เช้าๆ้าเนี่ย เดี๋ยวเราลงไปเนี่ยเราก็กวาดวิหารด้านเจดีเอากายที่ใจดีกายดีใจดีร้างห้องน้ำไปตักบาดไปเลี้ยงสัตว์ไปรดต้นไม้ปลูกต้นไม้ทํายังประโยชน์ให้กับตัวเองและเอื้อเฟื้อผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นแมลงหรือสัตว์ไม่ว่าจะเป็นญาติาาหรือไม่ใช่ญาติ ไม่ว่าจะเป็นพี่หรือไม่ไม่ใช่ว่าเป็นพี่น้องของเราเราปรารถนานในคุณงามความดีทางกายที่เรามีกำลังทางกายเมื่อเรามีกายที่ดีแล้วก็ย่อมฝึกจิตที่ดีเ็าเรียกว่ากายวาจาเมื่อมีจิต ด, ดีแล้วมีวาจาอันไพเระาะเชา้าๆอย่างเนี้ยตอนเชา้าเราก็ศึกวาจาในการ วมนเจริญภาวนากายวาจาให้ถึงพร้อมเรียกว่าสินเมื่อเรามีจิตที่ดีแล้วปัฒนาดีแล้วที่เป็นบุญกุศลมีเมตตามีความการุณาคือความสงสารมีความเมตตาก็คือความรักเรารักตัวเราเรารักกายเราเราก็ให้ปัท tn ากายผู้อื่นให้รับกับความสุข เราอยากมีความสุขทางกายทางวาจาเราก็ปรัชนาพูดอย่างไพเราะคนอื่นเมื่อได้ฟังเราพูดไพเราะก็รู้สึกยินดีมีความพอใจมีความปรัชนาเมื่อเราได้ยินเสียงคนอื่นพูดกับเราอย่างไพเราะเรารู้สึกพื้นปิติเรารู้สึกมีความเอิบอิ่มใจในสิ่งที่เขาพูดดีพึงกระทําดีต่อเรา ฉันใดก็ฉันนั้นที่พระพุทธเจ้าบอกว่าปลูกพืชเช่นไร ย, ย่อมได้ผลเช่นนั้นเราปฎถนาจิตที่เป็นอบายภูมิก็คือจิตที่ฝึกในเรื่องของกิเลสท่านก็จะต้องหมกมุ่นฟุ้งซ่านอยู่ในเรื่องของกิเลสปราศจากสิ่งมัวหมองไม่ได้ เมื่อจิตมีความมัวหมองแล้วเราก็ไม่ปัตตนาความทุกข์แต่ต้องพบกับความทุกข์ในสิ่งที่กระทําเมื่อจิตมีความฟุ้งซ่านสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเปรียบเสมือนท่านนั้นตกอยู่ในอบายภูมิภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรจาร์เมื่อเปรตอสุรกายสัตว์เดรจารอยู่ในข้าวของความเป็นพระ อยู่ในข้าพของความเป็นมนุษย์เปตนี้ไม่มีเสื้อผ้าปัทหมารามกปากเข้ารูเข็มก็คือดูดดื่มกินพาระกำลังของคนอื่นเราก็มีกายดีมีกำลังกายดีร่างกายแข็งแรงแต่เราก็กินแดงคนอื่นปากเข้ารูเข็มก็เจาะทิ่มแทงเวลาพูดก็ อิจฉาริษยานินทากาเลเจ้าทิมเจ้าแทงเจ้าปัถนารามกเพราะคนที่เป็นเปรตเนี่ยไม่มีเสื้อผ้าใส่เพราะเปรตไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็ปัถนารามกมองเห็นผู้หญิงก็นึกถึงแต่เรื่องของการมาราคะผู้ชายก็มองเห็นผู้หญิงผู้หญิงก็เห็น ผู้ชายที่ไม่มีเสื้อผ้าปัตตนารามกในขณะพูดก็ไม่ไม่ได้พูดด้วยความฉลาดปรารถนาความหลุดพ้นอันบริสุทธิ์ที่คุณตามพระธรรมคําสั่งสอนก็พูดเพื่อปัตตนารามกปัตตนาเพราะความโลภคือความอยากได้เมื่อไม่ได้แล้วก็โกรธพยายามบอาฆาต ถึงกับเหมือนกับสัตว์ที่กัดกันทะเลาะกันเมื่อพระพิสุสา ม, มนเณรแม่ชีตกอยู่ในอบายภิก็เกิดความว้าวุ่นไม่สบายใจไม่สบายกายเมื่อมีกายมีวาจามีใจไม่ถึงพร้อมแล้วสินของท่านก็บกพ่องย่อมมีความอิจฉาริษยาอาฆาต เวลาพูดก็ปัตถนารามกวรายรวมอยู่กับหมู่คณะก็นินทากาเรเช่าตำหนิติดติงด่งดาว่าผู้อื่นอยู่เสมอพยายามพูดให้ผู้อื่นนั้นร้อยตามตัวเองท่านนักปฏิบัติทั้งหลายเมื่อท่านฟังแล้วท่านจงพินิษพิจารณาว่า ท่านถูกฝึกตัวตนฝึกสติฝึกจิตของท่านปรารถนาเรื่องของบุญกุศลหรือถูกฝึกในเรื่องของอกุศลกันแน่เจ้าชาอย่างนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงมันฝึกดูสภาพของจิตมันฝึกสมาธิก็คือมีความตั้งใจมั่น มั่นใจเธอว่าพระธรรมคำสั่งสอนว่าปลูกพืชเช่นไรได้ผลเช่นนั้นฝึกตัวเองเช่นไรปัถนาเช่นไรก็จะได้สิ่งนั้นฝึกของความรักก็จะได้ความรักฝึกปัฒนาความรักที่ลามกก็จะได้การมัตตัญหาเมื่อเราค้นหาตัวเองไม่ได้ สติของเราก็ตั้งมั่นไม่ได้เราก็ไม่มีสมาธิเมื่อเราฝึกสมาธิฝึกสติมีความตั้งมั่นมีความรู้อยู่เสมอว่าเรามาเป็นพระมาเป็นเนนเป็นแม่ชีเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่รักษาสินสินก็คือความสำรวมทางกายสำรวมทางวาจาสำรวมทางใจ เมื่อเราปรารถนาในเรื่องของศิลสำรวมทางกายเช้าๆขึ้นมาอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าเมื่อเรามีกายดีมีใจดีเราถูกปึกกายดีใจดีมาแล้วเราก็รู้สึกเ อ, อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความดีของเราเนี่ยอันดับแรกเราก็ให้สัตว์เตลชาน เราก็ไปเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงกาเลี้ยงไก่เลี้ยงนกเลี้ยงมแมลงทั้งหลายไม่คิดจะทำลายเราปรารถนาดีแล้วทำไมเราหอบเราหิว้วสัมมาอาหารของเราทั้งหลายไปให้กับญาติพี่น้องเราไปให้กับลูกไปให้กับผัวกับเมียของเราทำไมเราไม่หอบถูกฝึก ทางกายที่มีสภาวะที่แข็งแรงถูกฝึกจิตให้มีเมตตาคือความรักความปรารถนาดีให้กับผู้อื่นเ อ, อื้อเฟื้ออันเป็นผู้อื่นก่อนเราอยู่ๆดีๆเราก็ไปปรารถนาเมตากับมนุษย์พอเรามีความหวังดีอันเล็กๆในน้อยไปมีความเมตตากับ มนุษย์ที่ตกอยู่ในอบายภูมิก็คือภูมิของเปรอสุรกายพอเราปรารถนาดีเรากลับไปเจอเจอในสิ่งที่มันไม่ดีพอเราเจอเจอในสิ่งที่ไม่ดีแสดงว่าจิตเรานั้นไม่มีเมตตาอย่างอันบริสุทธิ์ที่คุณเมื่อเราปรารถนาดีให้ทุกสิ่งทุกอย่างทําความดีทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนนี้คนนั้น แต่ทำไมเขาไม่คิดดีกับเราทำดีกับเราทำไมเขาไม่ปรารถนาดีกว่าเรากลับมาด่าว่ากลับมาหาว่าเราเนี่มายุ่งมาเสือกสอดรู้สอดเห็นเมื่อเราเห็นบุคคลที่เราช่วยแล้วถ้าเรามีจิตอันบริสุทธิ์ที่คุณเราไม่ปรารถนาสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้น เมื่อคนที่เราให้ด้วยความบริสุทธิ์ไม่ปัฒนาสิ่งตอบแทนเขาจะพูดเขาจะทำเขาจะคิดมีความกตันยูรู้คุณต่อเราหรือไม่เหมือนกับเราทำบุญแล้วก่อไฟที่บนน้าเหมือนคนโบราณว่าทำบุญมันตกน้ำเหมือนก่อไฟในน้ำนั่นเองมันไม่ติด บางคนพยายามทำความดีแล้วก็เจอเจอแต่ความชั่วก็หมดความพยายามไปฉันใดก็ฉันนั้นเพราะจิตเรานั้นถูกฝึกมาน้อยก็ยอมถูกกิเลสมันกลืนเข้าไปหากเราฝึ ก, ปกเป็นเป็นเรื่องให้ชินต่อสภาวะของจิตเราเหมือนหลวงพ่อเนีถูกฝึกเช้าขึ้นมาต้องทํางาน เช้าขึ้นมาต้องปฎถนาเอื้อเฟื้อต่อสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายยามดึกดื่นค่อนคืนหลวงพ่อก็พยายามนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้กับสปปรรพสิ่งสปปรรพตัณทั้งหลายและถูกเอื้อเฟื้อถูกฝึกจิตให้รักษาสติก่อเกิดปัญญาฝึกตัวเองให้หลุดพ้นจากอาสวะของความวุ่นวานของกิเลสทั้งหลาย นักปฏิบัติทั้งหลายเช้าๆอย่างนี้ท่านมีโอกาสที่สร้างบุญลกุศลจิตของท่านเป็นบุญกุศลปาศฉนะปราศจากความมัวหมองเท่ากับงูแรบลิ้นช้างกระดิกหูเมื่อจิตหลุดพ้นจากอสวกิเลตได้นับแบบมีอานิสง์มากมากยิ่งกว่าสร้างวิหารรานเจดีย์ซิอีก จิตของท่านหลุดพ้นต่อสภาวะความเศร้าหมองของกิเลสได้นับวะท่านทั้งหลายมีชัยชนะต่อสภาวะของตัวเองหลุดพ้นจากอาสวะของกิเลสต่างๆได้ท่านทั้งหลายจงถูกฝึกจิตของตัวเองนั้นให้ไปเรื่องให้เป็นเรื่องของบุญกุศลอย่าได้ฝุกหรือว่าอย่าได้ฝึก จิตของเป็นอยู่ในตกอยู่ในอบายภูมิเป็นภูมิของเป็ดอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเลยจะทําให้จิตของท่านมีความเศร้าหมองศินของท่านก็มีความเศร้าหมองความเป็นอยู่ของท่านก็เศร้าหมองร่างกายก็มีความเศร้าหมองหยาบก้านไม่เอิบอิ่มไม่สดใสหน้าตาก็หม่นหมองหม่นหมนหม่น ห, หมองทั้งกาย มนหมอนทั้งวาจาบนหมองทั้งใจเพราะฉะนั้นเช้าๆ้าอย่างนี้นักปฏิบัติทั้งหลายขอให้ท่านนั้นถูกฝึกจิตของท่านฝึกสติของท่านให้มั่นคงพยายามรักษากายวาจาใจอย่าได้มัวหมองตกหล่นไปในเรื่องของกิเลสหากถ้าเราฝึกดีแล้ว อย่างระมัดระวังหากท่านถูกฝึกเรื่องของใจที่เป็นเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาเมื่อมีเมตตามีความรักมีความปรารถนาดีเราก็ฝึกเมตตาต่อสัตว์ต่อมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจิตละเอียดอ่อนดีแล้วก็ถูกฝึกในการแผ่เมตตาให้กับสรรพสิ่งสรรพสัตว์ ก็คือดวงวิญญาณทั้งหลายเราทวยเทพเทวดาพรมทั้งหลายสภาพจิตนั้นก็หลุดพ้นจากอาสวะของความเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเมื่อเราถูกฝึกหลุดพ้นจากอบัยภูมิทั้งจิตใต้สำนึกแล้วเชื่อว่าเราจะต้องนึกเป็นอริยบุคคลเป็นบุคคลที่มีรักษาศีลได้ รักษาทางกายวาจาใจาได้และปัตตนาคุณงามความดีได้เรียกว่าเป็นมนุษย์สมบัติเมื่อฝึกจนเป็นมนุษย์สมบัติอบอ้อมอารีรักษาศีลได้รู้จักบุญคุณของพระพุทธเจ้ารู้จักบุญรู้จักคุณของบิดามารดารู้จักเมตตากรุณามีความสงสารต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้ มีอุเบกขาคูวางเฉยต่อสภาวะที่เกิดขึ้นทางหูทางตาทางกายวา จ, จาใจได้ย่อมเข้าสู่สภาวะของอริยสงฆ์เป็นอริยสงฆ์เป็นปูตุชนเป็นบุคคลที่เป็นปกติย่อมไม่มีสติพั้งเผลอมั่นคงเรื่องของสติจิตนั้นปัจนารหลุดพ้นจากความรามกกิเลสมัวหมองทั้งสิ้น ยอมเข้าสู่ไปอริยสงฆ์อริ ย, รยเจ้าพระปัจเจข้ามไปเรื่อยเๆื่อยเื่อยจนถึงพระอรหันตาเจ้าตัดรากิเลสจนเป็นสมุเจเฉดอย่าได้ฝึกของกิเลสให้ถึงที่สุดเลยจงปัจนาในเรื่องของบุญกุศลบุญก็คือความว่างเปล่าเหมือนในขณะนี้ท่านทั้งหลาย มีความว่างเปล่าทางจิตได้สำนึกพยายามนึกคิดพยายามตั้งสติมีความรู้ตัวยิ้มเข้าไว้ให้หลุดพ้นจากความมัวหมองเรารู้สึกสบายรู้สึกเย็นรู้สึกไม่เคยนั่งได้นานอย่างนี้มาก่อนเราไม่เคยปวดเมื่อยแต่ก็หายการปวดเมื่อย เรารู้สึกมีความสบายมีความตั้งใจมั่นมีสติมั่นคงในขณะนี้เพราะเราไม่เคยมีใครมาบอกมาก่อนเมื่อได้เห็นเมื่อได้รู้เหตุและผลแล้วนักปฏิบัติทั้งหลายจงไปฝึกจงไปปฏิบัติตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีใครเข้ามาปัท a n ให้เรานั้นทาสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ได้ตลอดเวลาเราจะต้องฝึกตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องเข้าใจเข้าไปในจิตของเรามีสติควบคุมรู้ตัวว่าเรากาลังฝึกในเรื่องของคุณงามความดีเป็นของบุญกุศลเรากาลังถูกฝึกของเป็นอกุศลก็คือความชั่วความหยาบทั้งหลาย ปรถนาสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นเหมือนกับพระพุทธเจ้ากล่าวว่าจิตที่ถูกฝึกมาดีแล้วย่อมมีความรู้สึกที่ดีแล้วปัถนาดีแล้วย่อมได้สมปัถนาในสิ่งที่ดีเช่าเชาอย่างนี้ก็เชื่อว่านักปฏิบัติทั้งหลายจงได้รับความอนุเคราะห์ เกือกูณของสัตยธรรมพัท ธ, ธรรมเทศนาในวันนี้ก็ยอมขออนุโมทนาในส่วนบุญกุศลของพระพิษุสัมมเนนแม่ชีอุบาลส่งอุบาลสิกาที่ฝึกจิต ด, ดีแล้วจงได้ฝึกให้จิต ด, ดีดียิ่งขึ้นขึ้นไปก็ขอให้ทุกท่านทั้งหลายค่อยๆถอนสมาธิหายใจให้เป็นปกติ เพื่อจะได้กวดน้ำสืบต่อไป